หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพุทธศักราช 2,431 ถึง 2,526 สติเป็นแก่นของธรรมะแก่นของธรรมะแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดทมให้ดีครั้นมีสติแก่กล้าดีแล้วทมก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดกุศลละธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล อยู่กับสติแล้วสติเป็นใหญ่สติมีกําลังดีแล้วจิตมันจึงรวมเพราะสติคุ้มครองจิตเพราะเหตุนั้นแหละให้เรา พากันตั้งใจอบรมตั้งสติไว้ที่ใจควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดพลาดไปควบคุมให้มันถูกครั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติ ยั้งไว้ละปล่อยวางไม่เอามาละทางผิดนะผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกักนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานั่นเอง ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่าไม่เบื่อสักทีก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละเพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจ รู้เสียใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับพบนับชาติไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในสังสารวัจนี้จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจตัวกรรมแม่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม แดงกำเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ไม่เลิกเรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนทำใจของเราให้ผ่องแผ้วคลั้นมันไม่ดีแล้วก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาด ครั้นใจไม่ดีละมันกลุ่มเป็นทุกข์จนค่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรานี่ก็เพราะใจนี่แหละไม่ใช่อื่นดอกเพราะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอาวิชชามันไม่รู้เพราะ มันโง่ว่าแม่นหมดทั้งก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีกนี่แหละเพราะความหลงในปฏิจจสมุปบาทท่านว่าอาวิชชา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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมันให้ดับวิญญาณเสียคลั้นดับวิญญาณแล้วไม่ไปก่อพบก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานแหละ ให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายดวงจิตเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลไคร่กลวนอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่าย จิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่นแล้วเรียกว่าจิตหลุดพน้นถึงวิมุตตวิมุตตคือความหลุดพน้นจากความยึดถือหลุดพน้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพน้นจากภพจากชาติ อย่างแท้จริง